แต่ในนี้ไปทางเหนือไปทางประเทศขึ้นไปทางที่เบตทางจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเวียดนามเป็นบางส่วนเวียแดบบนามพม่าตะมุประเทศแลไปประกาศพรศาสนากับพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะพุทธทางธรรมบางสังสข์เหมือนกันแต่ว่าการสอนก็จะแตกแต่ต่างกันการแต่งชุดก็แตกต่างกันเพราะใส่ชุดกางเกง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 พิกษุเนยขาบวชกันมาเรื่อยๆพิกษุณีมีสินสามร้อยนะสามร้อยกว่าแต่พระพิกษุมีศินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้าว่าสินมากสินน้อยเนี่ยทำไมจึงมีสินมากเป็นผู้หญิงทำไมสินมากผู้ชายทำไมทำไมสินน้อยสมาเนนี่สินสิบสมมาเนรีก็สินสิบสิกขามานาสิกขามานานี่หลวงพ่อไม่มั่นใจ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 มาบวดร่วมกับพิกชุณีอีกเออคือพิกชุพิชชนีเนี่ยบวชสงสองฝ่ายนะแต่พิกษุสงเนี่ยบวชสงฝ่ายเดียวแต่พิกชุีเนี่ยบวชสงสองฝ่ายบวชทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายพิชุนีด้วยทั้งฝ่ายพระด้วยอันนี้ก็คือกฎระเบียบของการบวชทางฝ่ายพิชุนีสิกขามานาเนี่ยพอบวชเข้ามาแล้วไม่อยู่ในกฎระเบียบเลยลวงละเมิดศีล แม้แต่ข้อเดียวนะ่ะแปลว่าให้ไม่ให้บวชเนี่ยแปลว่าตกไปเลยต้องตั้งต้นใหม่อีกแปลว่าล่วงละเมิดสินเหมือนพิษุณีนะไม่ไม่ใช่ธรรมดาเนะ่แต่ทีนนี้ต่อมาท่นี่พอต่อมาเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าที่ในตำราก็หนูพระไตรปิฎกเขบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานสามร้อยปีสามร้อยกว่าปีที่พญาต อ, อโศกเอขึ้น